ถนนสายมรณะเคลื่อนขุนด่านนครนายกสัมผัสสยองก้อยเล่าให้ฟังว่าก้อยชัยและเอ็มทั้งสามคนสนิทกันมากแม้ว่าก้อยกับชัยจะเป็นแฟนกัน แต่ชัยก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนอย่างเอ็มให้ต้องเหงาอยู่คนเดียวเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปด้วยกันสามคนตลอดคืนหนึ่งเมื่อค่อยและชัยไปนอนที่บ้านของเอ็มทั้งสามจึงปรึกษากันว่าจะไปเที่ยวจังหวัดไกลๆเช้าวันศุกร์ที่22เมษายน2559รจึงออกเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซ ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเกื่อนขุนตาลที่นครนายกโดยมีชายเป็นคนขี่ก้อยนั่งตรงกลางและเอ็มนั่งปิดท้ายใช้ขี่ไปทางบางขนาดผ่านวัดบางหอยและอีกหลายๆวัดจากนั้นก็ใช้เส้นทางบ้านสร้างปราจีนบุรีที่ถนนเป็นทางรถวิ่งฝั่งละเลนค่อนข้างเปรี่ยวมีรถผ่านไปมาน้อย มองเห็นต้นคูนเรียงรายอยู่สองข้างทางบ้านเรือนและร้านค้าแถวนั้นสร้างอยู่ห่างริมถนนมากแทบทุกหลังสีของตัวบ้านและหลังคาจะมีหลากสีน่าจะเป็นความนิยมของคนแถวนั้นก้อยเห็นศาลเก่าที่ไม่ใช่แล้วถูกทิ้งรง้งแทบตลอดทางระหว่างทางก้อยคุยเล่นกับเอ็มอย่างสนุกสนานปล่อยให้ใชัยใช้สมาธิ ในการควบคุมรถตามลำพังทั้งก้อยและเอ็มถือถุงน้ำอัดลมกันคนละถุงตอนนั้นแดดร้อนทำให้น้ำแข็งในถุงละลายประกอบกับน้ำอัดลมใกล้จะหมดแล้วก้อยก็ น, นึกเหนื่อยที่จะถือถุงน้ำอัดลมต่อไปขณะที่กำลังคิดว่าจะกำจัดถุงน้ำในมือยังไงดีก้อยก็เห็นเอ็มโยนถุงทิ้งที่ข้างทาง ก้อยหันไปถามทันทีว่ามันทิ้งได้หรอเพราะก้อยเชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขามาเธอจึงไม่เคยกล้าทิ้งกลัวจะไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาเขาแต่เอ็มซึ่งอายุมากกว่าก้อยตอบว่าก็ไม่รู้สิเห็นคนอื่นเขาทิ้งพี่ก็เลยทิ้งบ้างเอ็มเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วจึงทิ้งถุงลงข้างทางแบบไม่คิดอะไร พอก้อยเห็นอย่างนั้นก็เลยโยนถุงน้ำมัดลมที่อยู่ในมือทิ้งลงข้างทางตามไปด้วยชัยที่กำลังขี่รถอยู่และเป็นคนมีสมัมผัสพิเศษถึงสิ่งลี้ลับเขาได้ยินที่ก้อยและเอ็มคุยกันตลอดก็ได้แต่เงียบไม่พูดอะไรระหว่างทางชัยจะคอยมองหลักกิโลเมตรและป้ายบอกทางอยู่ตลอดเมื่อถึงทางแยกก็เห็นป้ายบอกทาง บอกว่าไปองค์คารักให้เลี้ยวซ้ายนครนายกตรงไปแต่ด้วยความที่ทังสามไม่ํำนานทางจึงคิดว่าน่าจะไปทางนครนายกจะได้ถึงเร็วๆใช้จึงขี่รถไปทางนครนายกที่สองข้างทางก็มีต้นคูนเรียงรายอยู่เหมือนเดิมพอขี่ไปได้สักพักก็มาเจอรถบรรทุกคันหนึ่งก็สงสัยว่า ทาไมรถบรรทุกขับชามากแต่ชัยก็ไม่แซงคันนั้นพยายามตามมาเรื่อยๆอยู่หลายกิโลเมตรจนเอ็มบ่นว่าเฮ้ยไอ้ชัยกูนั่งนานจนเมื่อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงวะพอใกล้ได้ยินที่เอ็มบน่นก็รีบเสริมเข้าไปอีกคนเออเนี่ยเมื่อยมากนั่งมาตั้งไกลแล้วชัยได้ยินก็หันมาพูดว่าไอเอ็ม แล้วคนขี่ไม่เมื่อยกับพวกแกสองคนเหรอวะพอชัยหันกลับไปมองถนนเพื่อจะขี่รถต่อก็ไม่เห็นรถบรรทุกคันนั้นแล้วทั้งทั้งที่รถบรรทุกคันนั้นขับช้ามากถนนก็เป็นทางตรงไม่มีทางแยกหรือซอยให้เลี้ยวแยกไปได้เลยแต่ตอนนั้นทั้งสามก็ไม่ได้คิดอะไรพอเข้าเขตนครนายกใช้ก็ขี่ไปเจอแยกที่มีช้างสามตัว เมื่อขี่ผ่านแยกไปก็ไปเจอแยกที่มีช้างสามตัวอีกขี่ผ่านแยกนี้อยู่สามครั้งสักพักก็เข้าไปในเขตเขื่อนทั้งสรู้สึกเมื่อยลา้าด้วยว่านั่งมาไกลามากไม่ถึงสักทีแล้วก็มาขี่ตามหลังรถบรรทุกคันเดิมอีกก้อยนึกสงสัยว่าระหว่างทางรถบรรทุกคันนี้หายไปไหนมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร จนกระทั่งทั้งสามมาถึงเขื่อนขุนดานเห็นคนมาเที่ยวบางตามมากทั้งทั้งที่มีรถจอดอยู่หลายคันก้อยเห็นน้ำในเขื่อนไม่น่าเล่นเลยสักนิดทำไมถึงมีรถจอดเยอะแม่ระดับน้ำจะไม่มากแต่คนเล่นที่มีอยู่จำนวนน้อยนิดนั้นก็ดูสนุกสนานกับการเล่นน้ำมากชายเห็นสีหน้าของแฟนและเพื่อนที่ดูผิดหวังในการมาเที่ยวเขื่อน จึงถามว่าเอาไงันดีพวกเราจะเล่นที่นี่ไหมหรือจะไปหาที่อื่นเพราะไปตอนนี้ยังทันก่อนจะถึงเวลาปิดก็จึงรีบเสนอว่าอยากไปเล่นอีกที่หนึ่งน่าจะสนุกกว่าที่นี่แน่เลยออกจะเขื่อนไปไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วเอ็มก็เห็นด้วยใช่จึงตกลงจะขี่ออกไปอย่างที่เล่นน้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากเลื่อนขุนดาน เมื่อไปถึงที่เล่นน้ำอีกแข่งหนึ่งก้อยก็สังเกตว่ามีรถจอดเยอะมากถ้าคำนวณจากรถรล้วจำนวนคนเที่ยวกลับดูน้อยผิดปกติแต่ก้อยก็ไม่ได้บอกเรื่องที่สังเกตเห็นให้ใครรับรู้สนใจแต่จะเล่นน้ำให้สนุกมากกว่าเธอตกลงเช่าแค่ในราคา50าบาทและเก้าอี้นั่งแบบชายหาดอีก30บาท เมื่อแต่และคนจับชองที่นั่งเป็นของตัวเองได้ก็นั่งพักแล้วมองไป ร, บรอบๆรู้สึกเป็นสุขที่ได้มาพักผ่อนจากตรงที่พวกก้อยนั่งอยู่มองลงไปจะเห็นบันไดลงไปเล่นน้ำไกลๆเมื่อมองไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นรีสอร์ทซึ่งสวยและบรรยากาศดีมากก้ยเห็นคนที่มาพักไม่กี่คนจึงพูดว่า ทั้งสวยและปบรรยากาศดีขนาดนี้ที่คนมาพักน้อยสงสัยจะเป็นเพราะราคาแพงทั้งสามคนชมวิวได้สักพักก็วางของแล้วไปเล่นน้ำก้อยชัยและเอ็มเล่นน้ำกันจนเหนื่อยจึงมานั่งพักตรงทางน้ำลงซึ่งน้ำค่อนข้างเชี่ยวอยู่ดีๆก็มีหินก้อนหนึ่งมาติดที่นิ้วเท้าของเอ็ม เขาพยายามสะบัดเท้าแต่หินก็ไม่หลุดเอ็มยังหยิบขึ้นมาดูหินก้อนนั้นคล้ายรูปหัวใจแต่มีเพียงสามแฉกเอ็มเห็นรูปร่างแปลกตาจึงเรียกก้อยกับชัยมาดูทั้งสองบอกว่ามันสวยมากแล้วก้อยก็พูดขึ้นว่าเออสวยแต่หัวใจมันมีสามแฉกเหมือนมีมือที่สมมาแทรกกลางคนสองคนเลยแล้วทั้งสามก็หัวเราะ เอ็มบอกว่าพี่เจ้ากลับบ้านเอาไปให้คนอื่นดูดูสิเขาจะพูดเหมือนกันไหมแล้วกยก็พูดแบบไม่ทันคิดขึ้นมาว่าเอาของเขาเป็นแล้วจะไม่มีอะไรตามเรามาเหรอแต่ทุกคนไม่ได้สนใจอะไรชวนกันเล่นหาหินสวยๆมาอวดกันต่อใช้เจอหินก้อนหนึ่งเป็นหินสีขาวผ่านน้ำเงินเข้มออกดำนิดๆ เห็นว่าสวยดีจึงหยิบส่งไ้ให้ก้อยดูก้อยก็รับหินมาชมว่าสวยแล้วบอกกับชัยว่าเธอจะหาบ้างขณะที่หาหินก้อนอื่นอยู่นั้นก็กำหินที่ชัยส่งให้เล่นไปด้วยก้อยสนุกกับการหาหินมากแล้วเธอก็เจอหินก้อนหนึ่งที่เธอชอบมากยังน่าประหลาด ระหว่างนั้นก้อยก็มีเรื่องทะเลาะ ก, กับชัยบ้างนิดหน่อยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของทั้งคู่เอ็มจึงปลีกตัวไปเดินเล่นไม่ไกลจากที่ก้อยและชัยนั่งแช่น้ำกันอยู่มากนักแล้วเอ็มก็ได้หินมาสามก้อนกะจะเอาไปอวดเพื่อ น, เ อ, นเอ็มจึงหยิบหินใส่กระเป๋ากางเกงไว้ส่วนก้อยกับชัยพอหายงอนกันได้สักพักก็ขึ้นไปนั่งที่แค่ ซึ่งก้อยยังคงเก็บหินทั้งสองก้อนไว้ในกระเป๋ากางเกงของเธอเมื่อเอ็มเห็นทั้งสองขึ้นจากฝั่งจึงตามขึ้นมาแล้วชวนกันถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆพอตกเย็นก้อยก็สังเกตเห็นคนอื่นๆที่เล่นน้ำกันอยู่เริ่มทยอยขึ้นฝั่งทุกคนดูรีบกลับไม่มีใครนั่งพักก่อนเลยแต่พวกก้อยก็ไม่คิดอะไรเข้าไปอาบน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าตามปกติแล้วก็เตรียมตัวกลับข้ากรับเอ็มเป็นคนขี่ก้อยนั่งตรงกลางและชัยนั่งหลังสุดขณะที่ซ้อนรถไปอยู่ๆก้อยเลยเอ็มก็รู้สึกคนลุกแบบบอกไม่ถูกก้อยคิดว่าคงเป็นเพราะอากาศหนาวจึงนั่งรถไปเรื่อ ย, เ, อยเธอแปลกใจว่าข้ากรับมันดูใกล้กว่าขามามาก และแยกที่มีช้างสามตัวก็มีแค่แยกเดียวท า, ทางที่ขามาพวกเธอได้เจอแยกที่มีช้างสามตัวถึงสามครั้งพวกเธอไม่อยากกลับทางบานร้างเพราะเส้นทางมืดและเปลี่ยวค่อนข้างอันตรายจึงตัดสินใจกลับทางองค์รักระหว่างที่ขี่ไปเรื่อยๆก้อยและเอ็มรู้สึกขนลุกเป็นช่วงๆแต่ชัย ไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดเพราะมาถึงทางแยกหนึ่งเอ็มก็จอดรถเพื่อถามลุงที่นั่งบนรถขายไอศครีมเอ็มและชัยพูดพร้อมกันว่าบ้านสร้างไป็นังไหนครับแต่ลุงคนนั้นท่าทางจะไม่ได้ยินจึงไม่ได้ตอบกลับมาใครเห็นว่าพวกเธอกําลังจะไปทางองค์รักก็ควรถามทางที่จะไปไม่ใช่ถามทางไปบ้านสร้าง ก็อจึงพูดกับเอ็มเบาๆว่าองคารักเพื่อให้เอ็มถามลุงใหม่ว่าทางไปองคารักไปทางไหนแต่ยังไม่ทันถามลุงลุงแกกลับหันมาบอกว่าอ้อองคารักนะเหรอไปทางขวาเลยก็อยแปลกใจมากที่ลุงได้ยินทั้งๆัที่ลุงกับเธออยู่ห่างกันและเธอก็ไม่ได้พูดเสียงดังเลย ทั้งสามขอบคุณลุงแล้วก็ขี่ต่อไประหว่างทางทั้งสามก็คุยกันเรื่องแยกที่มีช้างสามตัวขณะที่ขี่ผ่านวัดก้อยกับเอ็มก็ขนลุกพร้อมกันเอ็มจึงบอกว่าเฮ้ยไอ้ชัยข้าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ๆก็ขนลุกที่เอ็มบอกชัยเพราะทั้งสองมักจะมีสัมผัสพิเศษเวลารู้สึกหรือเห็นอะไร ทั้งสองจะรู้กันอยู่แค่สองคนส่วนก้อยไม่รู้สึกหรือสัมผัสอะไรได้เลยทั้งสามพยายามมีสติให้มากที่สุดเพราะมืดมากแล้วจนมาถึงบางน้ำเปรี้ยวก้อยเลยเอ็มไม่เห็นป้ายบอกทางว่าถึงคลอง21แล้วก็ดีใจแต่พอขี่ไปอีกสักพักมองป้ายข้างทางกลับมีป้ายบอกว่าเป็นคลอง24 เลยไปอีกสักพักก็มีป้ายบอกว่าคลอง22เอมจึงจอดรถถามทางที่ร้านค้าร้านหนึ่งเจ้าของร้านจึงบอกทางที่จะไปสุวินทวงศ์ทั้งสามจึงนั่งรถแล้วไปต่อระหว่างทางนั้นเปรี้ยวและขลุกขระมีรถ1ิบล้อวิ่งอยู่มากและเปิดไฟสูงทุกคันทั้งสามจึงต้องระวังเป็นพิเศษ ก้ยย้ายไปนั่งหลังสุดเพราะชัยจะได้ช่วยเอ็มมองทางอยู U ่ๆเอ็มก็หันมาทางก้อยแล้วมองอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งขี่รถไปใกล้กับรถส0ล้อข้างหน้าทำให้ทุกคนตกใจเอ็มจึงรีบหันหน้ากลับมาขี่อย่างเดิมในที่สุดก็ถึงตัวเมือง8ดเร็วทั้งสมจึงจอดพักกินขา้าวต้มแล้วก็นั่งคุยเรื่องที่เกิดขึ้น พวกเขาคิดว่าขาไปคงจะโดนผีบังตาเลยทำให้ดูเหมือนต้องเดินทางไกลมากแล้วเอ็มก็บอกว่าเนี่ยพวกแกรู้ไหมตอนนั้นที่ข้ามองหน้าก้อยแล้วตกใจสุดๆใบหน้านั้นมันเหมือนจะเป็นก้อยวะ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ข้าเห็นใบหน้าอีกคนซ้อนมาเหมือนกับว่าก้อยมีสองหัวแล้วพอข้าหันไปมองอีกทีก็ไม่เห็นแล้ว แล้วแยกช้างสามตัวต้องมีอะไรแน่ๆขาไปเราเห็นแยกที่มีช้างสามตัวอยู่สามแยกแต่ตอนกลับเห็นแค่แยกเดียวแล้วขากลับตอนที่พวกเรามองพระจันทร์มันก็ดูน่ากลัวมากแต่พอเข้าเขียดแปดรีวพระจันทร์ก็กลับเป็นปกติพวกแกว่ามันแปลกไหมละ่ะพอกินข้าวต้มไปได้สักพักเอ็มก็พูดว่าเออ มีใครเก็บหินกลับมาเหมือนข้าบ้างปะชัยจึงเงยหน้าจากข้าตมมามองหน้าเอ็มแล้วบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> อย่าบอกนะว่าหยิบมาเอ็มหยยกหน้าก้อยรู้สึกได้ถึงความผิดปกติคิดว่าอาจจะมาจากหินที่เก็บมาเหมือนกันจึงรีบบอกว่าก้อยก็หยิบมาเหมือนกันชัยและเอ็มหันมามองก้อยแทบจะพร้อมกัน ก้อยจึงบอกอีกว่าตอนแรกจะบอกเรื่องหินตัไดแต่แยกที่มีช้างแล้วแต่กลัวจะโดนด่าว่าหยิบมาทำไมก็อยอยากให้วนรถกลับไปเพเื่อเอาหินไปคืนด้วยซ้ำแต่มันมืดมากแล้วเลยไม่กล้าอีกอย่างที่นั่นก็ปิดแล้วด้วยเอ็มได้ยินจึงบอกว่าเออคิดเหมือนกันเลยก้อยแต่พี่ก็พยายามคิดว่าคงจะไม่เกี่ยวใช่ก็ให้ข้อสังเกตว่า พวกเราสังเกตตอนขากลับไหมเราพยายามช่วยมองทางกันตลอดแต่ไม่เห็นป้ายบอกทางไปบ้านสร้างเลยทางทั้งที่ขาไปเราเจอบ้านสร้างตลอดทางทุกคนเงียบแลมองหน้ากันสักพักก้อยก็ร้องไห้เพราะกลัวมากเธอเป็นคนจิตอ่อนจึงทั้งกลัวทั้งระแวงไปต่างๆนานาชัยและเอ็มก็เข้าใจว่าก้อยกลัวมาก พยายามปลอบใจให้เย็นลงแล้วจึงพากันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านของเอ็มทั้งสามพยายามหาหนังมาดูแก้เครียดแล้วก็เผลอหลับไปตื่นตอนเชา้าก็พยายามหาทางที่เจ้าหินไปคืนก้อยคิดว่าน่าจะหาคนไปด้วยหลายๆคนและจะไปโดยรถยนต์ก้อยจึงโทรหาลุงของเธอและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง ลุงบอกว่าแล้วไปเก็บมาทำไมสงสัยจะเจอดีเข้าแล้วที่นั่นก็น่ากลัวพอๆกับวังตะใครนั่นหละแต่ที่นั่นปิดข่าวเงียบคนจึงไม่ครร่รู้ที่นั่นเคยมีน้ำป่าไหลหล า, ลากและคนตายกันเกิืนเลยตกเย็นเอ็มมาหาก้อยกับชัยที่บ้านของก้อยด้วยที่เอ็มเป็นคนที่สงสัยจึงพยายามหาประวัติของเส้นทางและสถานที่เหล่านั้น แล้วเอ็มก็ได้พบว่าแยกช้างสามตัวที่ขาไปพวกเราเจอถึงสามครั้งความจริงแล้วมันมีแค่แยกเดียวแต่มีสองฝั่งเหมือนกับว่าพวกเราโดนผีบังตาให้ขับวนอยู่อย่างนั้นสามรอบและที่แยกนั้นเคยมีคนเสียชีวิตเมื่อสองปีที่แล้วเรียกกันว่าถนนสายมารณะส่วนที่ที่พวกใกล้ไปเล่นน้ำกัน ก็เคยมีคนตายมารีสอร์ทที่เห็นฝั่งตรงข้ามไม่ว่าใครมาพักก็จะได้เจอของดีกลับไปทุกคนแขกจึงมีน้อยพวกใกล้ตั้งใจว่าวันเสาร์ที่สามสิบเมษายนเจ้าหินไปคืนคราวนี้มีคนไปด้วยหลายคนเอารถยนต์ไปสี่ถึงหกคันมีคนรู้เส้นทางขับนำทางให้ระหว่างนี้ พวกเราสามคนจะนอนด้วยกันแทบทุกคืนสวดบทขอขมาก่อนนอนและระวังตัวกันให้มากขึ้นจนกว่าจะได้เอาหินไปคืนแล้วขอขมาอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ 怎么作用？ <See you. S 1>